ไม่ว่าโลภะหรือโทสะก็ตามมีมูลเหตุเกิดจากกิเลสตัวสำคัญคือโมหะที่เรียกเป็นคำไทยง่ายๆว่าความหลงอันหมายถึงความรู้ความคิดที่ไม่ถูกต้องตามความจริงความหลงนี้เห็นจะพอเปรียบได้กับยาดําคือมีแทรกอยู่ในกิเลสทุกกองทุกประเภทตั้งแต่หยาบสุดถึงละเอียดสุดพูดให้ถูกก็คือ ความหลงหรือโมหะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งปวงเป็นพื้นฐานของกิเลส ท, ทั้งปวงความรักความชอบก็เกิดจากโมหะความชังก็เกิดจากโมหะความยินดีก็เกิดจากโมหะความยินร้ายก็เกิดจากโมหะความปรารถนาก็เกิดจากโมหะความเกียดคร้านก็เกิดจากโมหะ ความง่วงเงาวหาวนอนก็เกิดจากโมหะความลังเลสงสัยก็เกิดจากโมหะแม้ความโลภ ก, ก็เกิดจากโมหะและความโกรธก็เกิดจากโมหะภาวะของจิตที่สิ้นกิเลสอย่างสิ้นเชิงแล้วเท่านั้นที่ปราศจากโมหะหรือความหลงเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่น้อยเป็นภาวะเดียวจริงๆที่พ้นจากโมหะ หรือความหลงภาวะอื่นของจิตมีความหลงเป็นเหตุแทรกซึมอยู่ทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ตราบใดที่ยังทำความหลงให้บรรเทาเบา บ, า, บางไม่ได้ตราบนั้นจิตยังจะต้องมืดมิดและเร่าร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ด้วยอารมณ์รุนแรงร้อยปเช่นอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์ยินดีอารมณ์ปรารถนาเหล่านี้เป็นต้น แต่ถ้าเมื่อใดทำความหลงให้บรรเทาเบาบางลงได้เมื่อนั้นจิตก็จะผ่องใสและเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นด้วยไม่มากด้วยอารมณ์รุนแรงร้อยแดดังกล่าวเพราะหลง รักทำไมจึงกล่าวว่าความรักความชอบก็เกิดจากความหลงลองพิจารณาดูให้พอเข้าใจว่าเป็นจริงหรือไม่เพียงใดเพียงในประการเดียวก่อนภายหลังจึงจะได้จับพิจารณาประการอื่นๆต่อไปให้พอเข้าใจความเข้าใจเป็นสิ่งสาคัญไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นต้องมีความเข้าใจเสียก่อน จึงจะทำได้ถูกต้องการจะแก้โมหะหรือความหลงก็เช่นกันจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจให้รู้จักหน้า่าตาเสียก่อนว่าเป็นอย่างไรแอบแฝงอยู่ตรงไหนถ้าไม่เข้าใจไม่รู้หน้าตาของความหลงก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามีแอบแฝงอยู่ตรงไหนเมื่อไม่รู้จักหน้าตาที่ซ่อนของผู้ร้ายจะจับผู้ร้ายออกมาไม่ได้ชันใด เมื่อไม่รู้จักหน้าตาที่แอบแฝงของโมหะก็จะจับโมหะออกไม่ได้ฉันนั้นความหลงที่เป็นเหตุแห่งความรักความชอบหรือที่มีอยู่ในความรักความชอบก็คือความหลงที่เป็นความรู้ความคิดว่าผู้นั้นหรือสิ่งนั้นน่ารักน่าชอบเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวเป็นคนสวยเป็นของงามเหล่านี้เป็นต้น เมื่อความรู้ความคิดเช่นนั้นเกิดขึ้นความรักความชอบจึงจะเกิดตามเมื่อความรู้ความคิดเช่นนั้นไม่เกิดความรักความชอบก็จะไม่เกิดเหตุที่กล่าวว่าความรู้ความคิดที่ทำให้เกิดความรักความชอบตามมานั้นเป็นโมหะหรือความหลงก็เพราะความรู้ความคิดเช่นนั้นผิดจากความจริงคือที่รู้ที่คิดว่า ผู้นั้นหรือสิ่งนั้นน่ารักน่าชอบเป็นคนสวยเป็นของงามนั้นไม่ถูกต้องตามความจริงไม่มีผู้นั้นไม่มีสิ่งนั้นที่น่ารักน่าชอบเป็นคนสวยเป็นของงามมีแต่ความเป็นสิ่งปฏิกูลมีแต่ความเปื่อยเน่าผุสลายนี้คือความจริงแต่ก็เป็นความจริงที่สามัญชนผู้อบรมปัญญาบา ร, รมีไม่เพียงพอยากจะเข้าใจ ให้รู้ถูกคิดถูกตามเป็นจริงได้สามัญชนจึงยังมีโมหะความหลงที่นําให้เกิดความรักความชอบในผู้นั้นในสิ่งนั้นอยู่ทั่วไปยังต้องได้รับทุกข์เพราะความหลงนี้อยู่ทั่วไปเป็นอันมากวิธีแก้ความหลงที่แทรกอยู่ในความรักความชอบอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ ก็ต้องพยายามคิดให้ถูกตามความเป็นจริงว่าผู้นั้นหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งเปื่อยเน่าผุสลายไม่น่ารักไม่น่าชอบนี้เป็นขั้นยากแต่ก็ต้องยากเพราะเป็นการแก้รากเหง้าของกิเลสทีเดียวผู้ปรารถนาจะได้มีสุขเพราะพ้นจากโทษของความรักความชอบจำเป็นต้องอบรมให้สม่ำเสมอ ความตั้งใจจริงประกอบด้วยการใช้ปัญญาอย่างมีความเพียรไม่ขาดสายจะทำให้ได้รับความสำเร็จเป็นลำดับไปอันโมหะนี้มีโทษมากมีโทษกว้างขวางคนละเมิดสามีภริยาเขาลูกหลานเขาก็เพราะเห็นสวยงามน่ารักน่าปรารถนาคนที่ลักขโมยช่อโกงไม่ว่าของเล็กของใหญ่เงินน้อยเงินมากก็เพราะเห็นเป็นสิ่งมีค่าสวยงาม นาครอบครองเป็นเจ้าของเห็นเป็นสิ่งที่จะทำให้ตนมั่งคั่งยิ่งขึ้นในฐานะอันสูงอันดีซึ่งจะต้องย่างยืนโดยตั้งอยู่บนรากฐานอันตนได้พยายามก่อสร้างขึ้นทุกวิถีทางไม่คํานึงว่าจะเป็นการได้มาอย่างสุจริตหรือทุจริตก็ตามความคิดความเห็นเช่นนั้นเป็นโมหะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงผู้ที่คิดที่เห็นเช่นนั้นมาแล้ว และที่กําลังคิดกําลังเห็นเช่นนั้นอยู่ถ้าต้องการจะบริหารจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์เบาบางจากกิเลสทั้งหลายอันจะเป็นเหตุให้คิดพูดทําความผิดความชั่วทั้งปวงจําเป็นจะต้องแลให้เห็นโมหะในใจตนเองเสียก่อนยอมรับเชื่อเสก่อนว่าการคิดการเห็นนั้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงควรจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัที ผู้ใดสิ่งใดที่เห็นเป็นสวยเป็นงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็ให้คิดให้เห็นว่าไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามไม่มีอะไรน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจคนที่เห็นสวยงามจนเกิดความรักความใคร่ความปรารถนาต้องการก็ให้แลลงไปให้เห็นตามความเป็นจริง เพียงหนังบางๆที่ห่อหุ้มอยู่ทั่วไปฉีกขาดออกแม้เพียงในบริเวณหนึ่งบริเวณใดของร่างกายเพียงเล็กน้อยก็จะอาจเห็นความไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาได้แล้วเนื้อก็แดงมีเลือดมีน้ําเหลืองเปอะเปื้อนหาได้เห็นผิวพันธุ์ผุดผ่องสวยงามไม่ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆไม่ต้องลองลอกหนังที่ห่อหุ้มอยู่ออก ทุกคนก็สามารถนึกภาพความจริงอันไม่สวยงามน่ารังเกียจนั้นได้ชัดเจนด้วยกันทั้งนั้นเมื่อนึกภาพบริเวณเล็กๆที่หนังหลุดหายไปเหลือแต่เนื้อศพกระปรกเประเปื้อนด้วยเลือดและน้ำเหลืองได้แล้วก็ให้นึกภาพบริเวณที่ใหญ่ออกไปอีกที่หนังหลุดหายไปก็จะได้เห็นภาพอันเป็นปฏิกูล ไม่สวยงามน่าปรารถนาอย่างใดเลยชัดเจนขึ้นวิธีบริหารจิตเช่นนี้เรียกว่าการเจริญอสุภะใช้แก้ความหลงหรือโมหะที่นำให้เกิดความรักใคร่ปรารถนาได้อย่างดีผู้เจริญอสุภะสม่ำเสมอจะไม่เป็นผู้ละเมิดบุตรภริยาเขาจะเป็นผู้ไม่มากมากในความรักความใคร่ จะเป็นผู้อาจมีสันโดษในหญิงเดียวชายเดียวผู้เป็นภริยาหรือสามีตนเท่านั้นซึ่งจะเป็นการไม่ก่อความเดือดร้อนทั้งให้แก่ผู้อื่นและให้แก่ตนเองด้วยตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีสันโดษในเรื่องนี้ความไม่มีสันโดษในเรื่องภริยาสามีย่อมนำความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายมาสู่ทั้งแก่ผู้อื่นและแก่ตนเอง ดังได้ปรากฏให้รู้เห็นกันอยู่แล้วแทบไม่ว่างเว้นจึงไม่จำเป็นจะต้องยกตัวอย่างไว้ในที่นี้อีก